บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดมาถึงความไม่รู้ในนิโรดโดยลำดับซึ่งจะเห็นได้ว่าคำเป็ น, นิโรธก็ดีที่ผาดก็ดีหรือแม้จะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ดีนั้นเป็นภาษาที่สมมติเรียกสภาพจิต ที่ปราศจากกิเลสและปราศจากความทุกข์เป็นสมบัติทรงที่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นจะสามารถรู้ได้โดยตอนเองต้องลองสัมผัสทางประสาทสัมผัสห้าข้างต้นคือได้เห็นได้ยินได้สูดดมได้ลิ้มได้จับต้องทิ้งนั้นเป็นอย่างไรมีสาภาวะเป็นอย่างไรคนที่สัมผัสเท่านั้นจะรู้ได้ ส่วนใดที่รู้ด้วยลิ้นก็ใช้ลิ้นสัมผัสเป็นลิ้นของใครก็เป็นลิ้นของคนนั้นไม่ใช่คนหนึ่งสัมผัสแล้วคนหนึ่งจะไปรู้ด้วยใครสัมผัสคนนั้นก็เป็นคนรู้ในการฟังเสียงก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคนฟังเป็นคนรู้ว่าเสียงอะไรมีความหมายอย่างไรคนไม่ได้ฟังก็ไม่ได้รู้ผนสภาวะที่เราเรียกว่นนานิพพาน เรียกว่าวิพุทธเรียกว่าวิสุทธเรียกว่าอะไรอีกเป็นนั้นมากก็มีลักษณะอย่างนีน้เป็นภาษาที่ยากต่อการอธิบายเราจึงพบการอธิบายเรื่องนิพพานไว้ไม่มากแม้ในอภิธรรมปิฎกเอง ถ, อถือว่ามุ่งเน้นอธิบายพวกปรมัตธรรมคือจิตเจตสิกรูปนิพพานเราก็จึงนิพพานการอธิบายไว้นิดเดียว เนื่องจากเป็นผลที่บุคคลจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติให้สัมผัสด้วยใจตัวเองคำตั้งหลายจึงมักใช้สิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรมเป็นสื่อเพื่อบุคคลคิดจากรูปรธรรมที่ตนสัมผัสในชีวิตประจําวันเช่นว่าทาลายความหิวกระหายไปได้ทําลายความเมาออกไปได้ จิตใจที่ไม่มีอะไรใจที่ถ่ายถอนจากความพิษมั่นหรือมั่นหรือแต่ละอย่างนั้นเรามีรูปธรรมเป็นสื่ออธิบายแต่ไม่ใช่ตัวจริงๆมันเพียงแต่เป็นสื่อในการทาความเข้าใจกันเท่านั้นส่วนจะตัวจริงๆเป็นยังไงก็ต้องอาศัยการปฏิบัติของบุคคลนั้นๆ แต่ในขณะเดียวกันวิธีการปฏิบัติเพื่อสัมผัสผลของริโรธซึ่งโดยเนื้อหาแล้วก็ไม่มีอะไรอื่นอย่งนทานใช้คำว่าดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกนั้นคือเป็นคำโดยสรุปที่สุดเป็นกล่าวถึงสภาพการดับพิธีการพูดถึงผลคำที่ใช้มากที่สุดก็จะมีอยู่สามคำคือสุขคือสงบคือเย็น บางทีก็ใช้คำว่างแต่คำว่างมันก็มีปัญหาในการทำความเข้าใจคนมักจะมีความรู้สึ ก, กไม่มีอะไรแต่คาว่างในที่นี้หมายถึงว่างจากความรู้สึกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นเป็นของของเราว่างจากความรู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี้เป็นโ น, น้น หพราจากความรู้สึกว่านั้นเป็นตาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาวความรู้สึกเหล่านั้นไม่มีแต่ในขณะเดียวกันท่านก็อยู่ท่ามกลางคนที่มีความรู้สึกอย่างนั้นเพียงแต่ท่านไม่อ่อนไหวคล้อยตามความรู้สึกเหล่านั้นท่านนั้นที่ท่านอธิบายเขา้าความหมายหนึ่งว่าเป็นผู้ไกลมาความหมายจะอยู่ใกล้ก็ใจก็อยู่ไกล เห็นคนทะเลาะ ก, กันท่านก็ได้ยินได้เห็นแต่ถ้าใจท่านไม่คิดแม้แต่จะทะเลาะ ก, กันคนโกรธกันท่านก็รู้ท่านก็เห็นท่านก็ได้ยินแต่ใจจะคิดโกรธก็มีอยู่ภายในใจท่านแม้คนทำให้ท่านโกรธครือบางคราวบางคราวก็ทำอะไรแรงๆอย่างเคอเล่าเรื่องภาษาดิบุตรมีคนก็พูดกันว่าภาษาดิบุตรกันไม่โกรธ จะมีพราหมคนหนึ่งเกิดข้องใจสงสัยว่าเป็นไปได้ยังไงคนไม่โกรธในสุดแกก็ในขณะที่ภาษาดิบุตรเดินบินบทบาตแกก็แอบย่องไปข้างหลังตีหัวภาษาริบุตรพระสาดิบุตรก็เดินบิณทบาตไปโดยปกติไม่หันกลับมาดูประชาชนเห็นเช่นนั้นก็เกิดไม่พอใจจะรุมประชาทรรพราม์คนนั้นในสุดภาษาดิบุตรก็หันกลับมาสอบถามญาติโยมตอนนั้นว่าจะทําอะไรกัน โยมก็บอกว่าคือจะรุมกันประชาทันยพรามคนนี้ที่ตีหัวพระอเปนเจ้าภาษาริบุตรถามมตวโยมหรือเปล่าก็ไม่ได้ตีโยมเจ็บหรือเปล่าก็ไม่ได้เจ็บเอาแลรร้วทําไมโยมจะต้องเดือดร้อนทุกทีที่เป็นการแสดงเห็นว่าการกระทําจากข้างนอกนั้นมีสิทธิ์อะไรก็จะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น เราเห็นว่าบางครั้งก็เล่นแรงจนถึงขนาดฆ่าพระอรหันต์เป็นฆ่าพระโมคกขลานะบางครั้งก็เล่นแรงจนถึงกริ่งหีในทัพพระพุทธเจ้ามันก็เป็นเรื่องของเขาคือเขาทามาจากข้างนอกเป็นเรื่องของเขาเราไปห้ามอะไรใครไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ห้ามใจเราเองได้หังการปฏิบัติตรงนี้ในแนวที่สมบูรณ์จึงหมายถึงใจที่ไม่มีกิเลส เมื่อใจไม่มีกิเลสความทุกข์มันก็มีไม่ได้เพราะว่าความทุกข์มันเป็นผลที่สืบเรื่องมาจากกิเลสใจที่ไม่มีทั้งกิเลสไม่มีทั้งทุกข์มันก็มีแต่สุขกิเลสเป็นลักษณะให้ร้าเรอนเมื่อไม่มีกิเลสใจมันก็มีเย็นเมื่อใจเป็นสุขใจเย็นใจก็สงบใจก็โปร่งใจก็เบาใจก็สลัดสวยใจก็สบาย เพราะใจว่างจากกิเลสแล่านะั้นแต่นั้นเป็นตัวผลซึ่งทรงเรียงไว้ในระดับต่างๆถึงบรราชนทั้งหลายเห็นว่าเอาก็จริงแล้วบางระดับในชีวิตประจำวันคนเราที่มีสติสัมปชัญญะพอสมควรก็สามารถสัมผัสผลล่านี้ได้แต่นั้นจึงทรงแสดงสภาพจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสไว้หลายนัยยะด้วยกัน มยะหนึ่งทรงใช้โครงสร้างของพระธรรมคุณห้าข้อแรกห้าข้อยกเว้นสวักดาโตพภควตาธรมรมุกทรงใช้กำว่าสันธิติกังนิพพานังเป็นนิพพานที่เห็นได้ในขณะนั้นๆเห็นได้ด้วยตัวเองเป็นการปฏิบัติที่ตรวจสอบดูจิต ของเราวันในขณะนั้นจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะเป็นต้นหรือไม่ถ้าไม่มีเราก็พบความสงบความยึกเย็นอยู่ภายในจิตใจในขณะนั้นก็ชื่อว่าเป็นสันทิฏฐิกลงนิพพา น, นังคือการดับกิเลสที่เห็นได้ด้วยใจของตนเองซึ่งบางครั้งแม้จะมีอารมณ์มกระทบข้างนอก มีการประทุษร้ายมีการด่าวา่ามีการกล่าวหามีการใส่ร้ายหรือแม้แต่ว่าลงลงมือลงไม้ประหัตประหารใจก็ยังสงบไปได้บุคคลก็จะเห็นความจางไปความคลายไปความมันเถาไปของกิเลสภายในใจซึ่งกหมายความว่าในขณะนั้นก็เห็นการเพิ่มพูนขึ้นการเป็นภูมิคุ้มครองจิตของธรรมะที่มีมากยิ่งขึ้น แล้วเป็นอากาลิกังนิบปาหนังคือเป็นการดับที่ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลายามใดที่เรามีสติสัมปชัญญะมากพอเราก็ดับพวกเหล่านี้ได้คราวนี้บพงสังเกตว่าคำสอนที่เราเจอบ่อยที่สุดมากที่สุดเรียกสารวมระหว่างอินทรีย์โลกเราเป็นโลกของสัมผัสพูดไปพูดมาไม่มมนพ้นอายตนาภายในภายนอก หรือเป็ตาหูจมูกเรื่งกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัตว์พระธรรมารมณ์อารมณ์ที่มีผลกระทบต่อใจอารมณ์ที่กอ่อให้เกิดความรักความชังทั้งาชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่าเรื่องบางเรื่องที่เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยไม่เกิดปัญหาอะไรเพราะว่าเราไม่เกิดความรักความชังเพราะาคนที่ขาดสติสัมปชัญญะไปเลยเช่นคนบ้า เขาจะไม่รู้สีรู้ส่าอะไรไม่เดือดร้อนอะไรจะหิมจะหิ ว, จ ะ, หวจะอิ่มจะฝนตกจะแดดออกจะอะไรก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรบุคคลประเภทนี้จึงกลายเป็นบุคคลพิเศษที่พระวินัยเองยกเว้นหมดคือทำอะไรก็ไม่ผิด้าเรียกว่าอมูลหาวินยัยคือยกเว้นสมัตพระบ้าทเคยจะโจดจะทวงจะตาหนิอะไรท่านไม่ได้ ก็กลายเป็นพิเศษเพราะไม่รู้อะไรเลยหมายความว่าไม่มีไม่มีสติสัมปันยะไปเลยที่เรียกว่าสติวิปลาสอีกขั้วหนึ่งคือพระอรหันต์ท่านมีสติสมบูรณ์อารมณ์ที่ท่านกระทบนั้นท่านรู้ทันตลอดพอรู้ทันใจก็ไม่ฟูไม่แฟกไม่ขึ้นไม่ลงไม่เกิดความสุขความทุกข์เพราะประสาทกบเพราะสัมผัสกับอารมณ์เราน ยางที่ทรงแสดงถึงความรู้สึกต่อโลกธรรมคือการได้ลาบเสริมลาบการได้ยศเสริมยศการได้สรรเสริญนินทาประสบความสุขความทุกข์เนี่ยมันเป็นวิสัยของโลกชาวโลกทุกคนต้องเจอสิ่งเหล่า น, นี้ไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้แต่ปัญหาใหญ่ใจความมันอยู่ที่คนทั่วไปนั้นจะเกิดความรักความชังที่พูดง่ายว่ายินดียินร้าย ยินร้ายก็คือความชังความไม่ชอบความไม่ต้องการไม่พอใจหงุดหงิดลำคาญเกิดโกรธเกิดประทุุร้ายอะไรแต่และแต่และแต่คืออาจจะคิดแรงๆกันไปได้เลยนั้นก็คือยามที่ประสบกับความเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกดินทาประสบความทุกข์จะเกิดยินดีเกิดไขวมปราถนาอยากได้เพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อยามที่ตนได้ลาภได้ยศได้สันเสริญได้รับความสุข จะเห็นว่าใจดิ้นทั้งสองรายหมายความว่าสิ่งที่ตัวชอบพอได้ก็อยากได้เพิ่มสิ่งที่ตัวไม่ชอบพอเกิดได้ขึ้นมาก็ปฏิเสธอารวาสฟาดรันก็แล้วแต่ว่าจะมีความรู้สึกแรงขนาดไหนแต่หมายความว่าจิต ด, ดิ้นทั้งสองทางตัว น, นี้คือจุดที่แตกต่างกันระหว่างพระรยะบุคคลกับปุตุชนปุตุชนนั้นจะมีความยินดียินร้าย เพราะอะไรเพราะเราไม่มีปัญญามากพอที่จะรู้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ถึงกับมืดบอดจนไม่มีเหตุผลไปเลยคือไม่ถึงบ้าไปเลยใจก็เต้นไปตามจังหวะของโลกมีภูมิมีแพรมีสุขมีทุกข์มียินดียิ น, ย น, ยนร้ายแต่ว่าอริยบุคคลนั้นท่านรู้ทัดพระเจ้า ท, ทรงแสดงไว้ในโลกธรรมสูตรว่า พุทธชนกับประยาบุคคลนั้นแตกต่างกันพุทุชนเมื่อประสบกับโลกธรรมทั้งแปประการเนื่องจากไม่มีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าโลกธรรมเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะงั้นใจมันจะฟูเมื่อได้ส่วนที่น่าปรารถนาใจจะพุบเมื่อไปเจอกส่วนที่ไม่น่าปรารถนาเพราะฉั้นใจก็ขู่ๆพุบๆวันหนึ่งขู่ๆฟุบๆไม่รู้สกิรเรื่อง และเราสังเกตว่าบางครั้งเรามีตัวอุปทานเข้าไปยุติเช่นไปดูการแสดงดูการเล่นในทางโทรทัศน์อะไรต่รางๆทงัๆ้งทั้งที่มันเป็นการแสดงแต่ปัญญาไม่มีมากพอที่จะรู้เท่าท่านดูไปดูมาเกิดเพลินถือเป็นเรื่องจริงเรื่องจังใจก็ฟูใจก็แพ้ไปตามการแสดงเหล่านั้นมีการหวรัวเราะมีการรอ้องไห้มีการเศร้าโศกเสียใจ มีการเคียดแค้นจริงๆไปตามการแสดงเหล่านั้นถามว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราขาดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปลึกๆคือเด็กสนุกสนานสนุกสนานกับการ์ตูนนี่จะเห็นได้ชัดเจนมากจริงๆเพราะว่าเธอไม่รู้เท่าทันตามความจริงเธยก็สนุกสนานไปด้วยกับเรื่องราวของการ์ตูนหล่านั้น แต่แม้แต่สนุกสนานกับตุกกตต๊กตาไอ้ตุ๊กตาก็จะเป็นชิตนั่นตัวนี้จึงสแสดงถึงวุฒิภาวะคือพื้นฐานทางสติปัญญาของบุคคลว่ามีมากไม่น้อยแตกต่างกันดังนั้นเราจึงมองเด็กที่เล่นตุ๊ ก, กตาด้วยความสงสารแต่ไม่ได้มองแบบสนุกสนานอย่างเด็กหรือมองด้วยความสงสารเธอเอ็นดูเธอที่เธอยังเพลิดเพลินอ่กับสิ่งซึ่งไม่มีอะไร แต่พราเรามองเข้าใจจังเกิดสงสารแต่เราสังเกตว ใ, ใจไม่ผูกไม่แฟบไปกับเรื่องเราเอางเพราะอะไรเพราะเรามีปัญญารู้ท่าทันทำความเป็นจริงว่านั้นคือตุ๊กตาท่านั้นเด็นั้นคือหนังกระตูนท่านเด็กเพราะนปริญาบุคคลเนี่ยพราะโลกธรรมท่านเกิดขึ้นเกิดขึ้นแก่ท่านปัญญาที่รู้เห็นทำความเป็นจริงก็เกิดขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านลาบยศเสริญสุขเสืส่อมลาบเสมยศนินทาทุกได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่าน แต่ว่าโดยสภาวะที่จริงๆ ส, งสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เชี่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปลวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาตอนเกิดก็ไม่ยินดีเสื่อมไปก็ไม่ยินร้ายมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับคนที่มาถึงบ้านเราเราก็ไม่ยินดีอะไรเขาจากไปเราก็ไม่ยินร้ายอะไรเราไม่เสียใจอะไร แต่ถ้าคนบางคนที่เรารักใคร่สนิทสนมผูกพันเมื่อเขามายเราอยากให้อยู่กับเรานานๆพเขาจากไปเราจะเกิดเสียดายทั้งๆที่คนเหมือนกันได้ทำไมความรู้สึกแตกต่างกันเพราะใจเรากําหนดไม่ใช่เขาเป็นตัวกาหนดคือใจเราเป็นคนกําหนดคนเหล่านั้นเองใจก็ฟูใจก็แฟบใจก็เฉยไปตามการปรากฏของคนเหล่า น, นั้นด้วยการเปลี่ยนแปลงไปของคนเหล่า น, นั้น ปัญตสติสัมมั ญ, ญญาเกิดขึ้นรู้เท่าทันตามความจริงบุคคลก็มีปัญญาพิจารณาเห็นตามความจริงตอนนั้นซึ่งท่านสาชนหลาดจะสังเกตว่าเอาความจริงมันก็ไม่ได้เรื่องมากมายอะไรเพียงแต่ว่าเกิดขึ้นทันหรือไม่ทันนั้นเองอยัาประส บ, บความพัดพราดสูญเสียปัญญาเกิดขึ้นรู้เท่าทันว่าสิ่งที่ต้องพัดพราดไปเป็นธรรมดาก็มีการพัดพราดแล้ว ใจเราได้เสียมไาตั้งนาน ร, ารู้มาตั้งนานว่าของนั้นจะต้องพัดพราดจะต้องแตกจะต้องทําลายจะต้องตายมันแตกมันทําลายมันพัดพลาดมันตายไปมันก็ธรรมดาเข้ามันเพราะเรารู้มาตั้งนา น, น, น่ใจมันก็เกิดความรู้ขึ้นมาวินิจฉัยไม่โศกไม่เสียใจไม่ร้องโหยร้องไห้ไม่ข่ําครวญด้วยประการต่างๆส่วลักษณะเหล่านี้ก็เหมือนกับพุทธภาสิตที่ทรงแสดงไว้แล้วก็นํามา พิจารณากันในพิธีที่เกี่ยวกับารพระธาตุสูญเสียท่านสาชนทั้งหลายจะสังเกตดูปัญญาที่มันเกิดกำกับกับสังขารว่านิจาวัตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอกเกี่ยวกับสังขารอะไรก็ตามใจมันรู้ทันดีว่าสังขารนี้ไม่เที่ยงตัวเราก็ไม่เที่ยงเสื้อผ้าก็ไม่เที่ยงเงินท้องก็ไม่เที่ยงแต่อะไรปั๊บมีปัญญารู้รัฐธรรมนไม่เที่ยงเพราะฉะั้นสิ่งที่เราอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยง มันก็เหมือนเราเดินไต่เส้นลวด จ, จะมีการระมัดระวังจะเดินไปด้วยความไม่ประมาทเพราะอาจจะตกก็ได้แรือจะถึงจุดหมายปลายทางก็ได้เพราะมีการเตรียมใจมีความพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นไม่เทงเพ ร, ะราะอะไรอุปดาวยะธรมมโนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือแสดงการเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเกิดมันก็เกิด เหตุปัจจัยตั้งอยู่มีอยู่มันก็ตั้งอยู่เหตุปัจจัยให้ดับมันก็ดับมันคล้ายๆกับน้ําเดือดน้ําเย็นเราวางไว้บนเตาจริงจะอาจจะเดือกก็ได้อาจจะเย็นก็ได้อาจจะอุ่นก็ได้ท่านี้มันขึ้นอยู่กับไฟหมายความถ้ามีไฟทําให้เดือดมันก็เดือดถ้าไฟดีลงก็ทําให้เดือดน้อยลงหรือไฟดับไฟก็ทําให้มันค่อยๆเย็นลงก็แสดงเห็นว่าน้ำมันก็คงเป็นน้ำอย่างนั้นเอง แต่มันอาจจะเย็นก็ได้อาจจะร้อนก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มาทําให้น้ํามันเย็นมันร้อนมันสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่แตามความลักษณะอารมณ์ที่มากระทบใจเราก็เป็นเช่นเดียวกันหมายความว่าใจเราถ้าหากว่าเรามีหลักมันก็เปลี่ยนแปลงน้อยคือวันไหวน้อยแต่ถ้าใจไม่ไม่มีหลักมันก็วันไหวมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ที่มากระทบ นั้นการมองเห็นในจุดนี้ที่เรียกว่าเป็นการตับกิเลสที่เห็นได้ในขณะนั้นๆั่งมันก็อาศัยปัญญาที่รู้เท่าทันตามความจริงแล้วก็พอสิ่งนั้นเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่ก็คือตั้งอยู่สิ่งนั้นดับไปก็คือดับไปประเด็นที่สําคัญอย่างยิ่งคือจะช่วยคนอยู่ด้วยความไม่ประมาท เช่นเรามองเห็นชีวิตเราเป็นของไม่เทียงแท้แน่นอนมันจะแตกดับเมื่อไรก็ไปรูเพรา ะ, ะชีวิตจริงๆเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยแต่ไม่ใช่เป็นตัวของเราเมื่อเขาหมายเราอาศัยเราก็พยายามใช้ประโยชน์จากเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะในสุดเราต้องทิ้งเข้าไปท่านบอกว่าอุปชิตตวานเรื่องจริเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป อะไรเกิดขึ้นอะไรมันก็ดับไปทันทีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปปัจจใจที่จะสงบเย็นก็คือใจที่เตสังมูปสมุสุโส ข, ขใจที่สงบระงับในสัตว์ในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเกิดความสุขหมายความว่ามองสิ่งทั้งปวงอย่างมีปัญญารู้ทัดทันไม่ใช่ไปคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้จริงๆเราไปบังคับอะไรเขาไม่ได้แล้แม้แต่ใจเราเองเราจะบังคับไม่ได้ สังขารเราเองเราบังคับไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ได้เรื่องอะไรจะเป็นบังคับคนอื่นได้เพราะเราจะเห็นใจที่เดือดร้อนก็คือใจที่ไปกะเกณนัคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนน้นเป็นอย่างนู้นตัวนี้ที่จริงไม่ใช่เรื่องระดับปรมัตธรรมอะไรเป็นระดับของกรรมสกตายานหมายความปัญญาที่รู้เห็นเรื่องกรรมแล้วก็กฎของกรรม เราได้สูตรสาธยายตรงนี้กันก็ครั้งแล้วครั้งเล่าก็เป็นร้อยครั้งพันครั้งบางคนอาจจะว่ามาเป็นหมื่นครั้งได้วตาไปเป็นการบ่งบอกเห็นว่าคนเรานั้นรับผิดชอบเฉพาะตัวเราเท่านั้นเองดีก็เราดีชั่วก็เราชัว่วเพราะฉนั้นย่าพูดว่าทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชัว่วใครทําคนที่ทํานั่นแหละได้มันก็เหมือนกับใครกินเกลือคนนั้นก็เค็มใครจับไยคนนั้นก็ร้อนใครกินน้าตาลคนนั้นก็หวาน มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวและบางทีก็ส่งเน้นใ้เห็นว่าความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวคนหนึ่งจะทำอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์ไม่ได้นอกจากว่าเราไปหาเรื่องให้เราเองเดือดร้อนจะมีการทำแผนรัฐสตร์การต่างๆทึ่เราจะพบเห็นกันอยู่บ่อยๆมีข่าวคราวถ่ายทอดเห็นกัน การทำแผนปฏิทัตษการเช่นว่คนฆ่าคนตายจะมีประชาชนที่มุงดูนั้นคือเข้าไปเพื่อจะฆ่าคนนั้นเลยนั้นแสดงบงคปกบกรรมเหล่านั้นไม่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของเขาแต่เกิดขึ้นจากการตั้งจิตผิดของเราเองเขาทำกรรมช่วเขากระบังได้รับผลของความช่วยและเรื่องอะไรเรายังไม่ทำกรรมช่วยจะต้องไปทำกรรมช่วยอย่างเขาเพื่อรับผลเป็นความช่วยอย่างเขา คนตัวนี้ที่จริงก็คื อ, คอกรรมสกัดตาญายคือความรู้เห็นในเรื่องกฎของกรรมเราก็รับผิดชอบชอบเฉพการกระทำของเราการทําไม่บาปบาป ท, ทำปวงการทํากุศลให้สมบูรณ์การนําจิตใจผ่องแผ้วนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนแต่ละคนพระเจ้าเองก็ทําได้แค่บอกให้เท่านั้นเองไม่ใช่พระเจ้าช่วยขจัดบาปให้เราช่วย เ, เพิ่มบุญให้เราทรําจิตใจเราผ่องแผ้วก็เปล่าพระเจ้าบอกให้บอกวิธีการปฏิบัติให้เท่านั้น พนตรงนี้ท่านสายชนจะเห็นตัวปัญญาตึงเป็นหลักที่เรารู้ทันต่ออารมณ์ทั้งมากระทบก็หาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นได้จะเป็นอะไรก็ตามแม้แต่ถือด้วยคติความรู้สึกลึกๆอยู่ภายในใจมองสิ่งทั้งหลายดนแง่ว่ามันเป็นธรรมดาเข้ามันอย่างนั้นเองนะที่ท่านใช้คาว่าตาต า, ต า, ตาคือมันเป็นเข้ามันอย่างนั้นเอง หนาวก็ไม่เดือดร้อนเพราะหนาวร้อนก็ไม่เดือดร้อนเพราะร้อนหิวก็ไม่เดือดร้อนเพราะหิวคนด่าก็ไม่เดือดร้อนเพราะคนดา่าเขาเป็นเขาอย่างนั้นเองมันเป็นก็มันอย่างนั้นเองสังขารน่าหลายมันเป็นอย่างนี้เองเพรา ะ, ะคําบาำบางครั้งยังตคงมีคำเป็นคําเดียวแต่ว่าเราก็จับเป็นหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจสิ่งทั้งหลายมันไม่เฉียงสิ่งทั้งลมันเป็นทุกข์ สิ่งั้หลายมันเป็นอนัตตาจะอาจจะจับจะเป็นคําเดียวก็ได้จะเป็นหลักใจที่ทําให้เรารู้เห็นตามความเป็นจริงแสดงว่าสามารถดับกิเลสได้ในขณะนั้นๆคือไม่ขึ้นอยู่กับการลเทศก็โอปัญกังนิปานังเป็นความดับกิเลสที่เราน้อมเข้ามาดูที่จิตของเรา มายความมันจะเป็นอะไรก็ตามมันจะเกิดขึ้นมาจากข้างในหรือหรือว่ามีตัวกระตุ้นมาจากข้างนอกให้เราสังเกตวิกิเลตมันเกิดขึ้นมาจากทาได้ทั้งสองทางหมายความมีตัวกระตุ้นจากข้างนอกหรือว่ามีตัวเหนียวนึกตรึกนึกขึ้นมาจากข้างในหรือบางครั้งผสมผสานกันเช่นสมมติเราเจอคนที่เราไม่ชอบเมื่อก่อนความไม่ชอบนั้นสงบอยู่ภายในใจ ตดีตาไปเห็นคนที่เราไม่ชอบเขาไอความไม่ชอบซึ่งเก็บไว้ภายในใจมันเกิดขึ้นมันกลายเป็นแรงบวกขึ้นมาสองแรงผล ม, มีตัวกระตุ้นด้วยแล้วก็ตุ้นแล้วมันก็เกิดด้วยแต่ในคนนั้นเองถ้าเรารู้เห็นดำความเป็นจริงเชื้อที่มีอยู่ภายในใจเราดับไปแล้วเช่นว่าแนวความคิดต่างๆที่ไม่ถือสาความจากคน ของคนบางระดับบางพวกบางหมู่อะไรตาะหนี่เราเก็บสะสมไว้ภายในใจผลไปเจอเขาเข้าเราก็ใช้การอาภัยการไม่ถือส า, าความมันก็ดับได้เท่านั้นหรือไม่อย่างนั้นเกิดขึ้นจะการมองเห็นโทษของความอาฆาตพยาบาทที่มีอยู่ภายในใจรูใจกันเราก็เห็นว่าพยา ความอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นเมื่อไรได้เรื่องทุกทีราร้อนทุกทีกระสับกระส่ายทุกทีแต่เขายามตัดความรู้สึกเหล่านี้เมื่อเราเจอคนที่เราเคยโกรธเคยพยาบาทเนื่องจากความพยาบาทมันหมดอยู่ภายในใจแล้วตัวนั้นเลยไม่กระตุ้นไม่กระตุ้นให้เกิดพยาบาทอาจจะเกิดรู้สึกเฉยเฉยอาจจะรู้สึกเกิดให้อภัยอาจจะรู้สึกขำรู้สึกเมตตาสงสารอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าจะไม่เกิดกิดเลย นั้นก็เป็นกานดับกิเลส ท, ที่เราน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาคิดน้อมเข้ามาพิจารณาจนมองเห็นคุณเหนโทษต่งางแล้วหมายความส่วนที่เป็นคุณเราก็เพิ่มขึ้นส่วนเป็นโทษเราก็บรรเทาไปเป็นเอหิปัสสิกังนิพา น, นางังเป็นนิพพานที่สามารถเชิญชวนชักชวนมาพิสูจน์ทดสอบทำนองคล้ายๆแกกินไปหวานันเค็มนะที่ว่า หมายความว่าคนเราจะต้องเข้าไปศึกษาพิเคราะห์ตรวจสอบพิพจารณาดูถึงความดีของการลดกิเลสอย่างน้อยของการลดกิเลสพูดถึงหมดกิเลสมันก็เป็นเรื่องใหญ่หน่อยแต่ทำยังไงว่าให้มันลดลงไปใช่ปังเราก็อาจจะดูที่คนซึ่งเขาลดได้อาจจะดูที่ใจเราซึ่งมันลดลงไปได้ เป็นเรื่องบางเรื่องเคยรำคาญเคยหงุดหงิดเคยโกรธมันไม่โกรธไดแ้แสดงว่าคุณธรรมเหล่านี้ก็อาจพิสูจน์ทดสอบได้ในจุดต่งงงางๆเอเปัติการนิพพานังเป็นนิพพานที่เจริญ ช, ช, ชวนให้มาดูส่วนจะอยู่ได้ยาวหรือได้สั้นก็นแล้วแต่ให้เรานังเกตเราบางครั้งถ้าเราคุมจิตเราให้ดีบางทีตั้งครึ่งเดือนเนี่ยไม่เคยโกรธ อ้กิเลสประเภทโกรธยินดีคุมง่ายกว่ากิเลสประเภทโลภเพราะกิเลสประเภทความโลภนั้นมันรู้สึกตอบสนองคนรู้สึกกว่าได้มันสนองตันหาสนองโลภะภายในใจของคนมันพระเจ้าจึงมักเน้นตรงนี้ว่ายินดีอย่ายินดียินร้ายอย่ายินดียินร้ายครอบงำใจคือบางทีว่าอาจจะเกิดยินดียินร้ายบ้างแต่อย่าทำยังไงอย่าครอบงาใจ จะสมมตก็าด่าบูบขึ้นมาได้ยินแล้วก็ให้ดับไปตรงนั้นจะไปเก็บไว้เพราะคําด่านั้นเมือนของสกปรกไม่เรื่องอะไรที่เราจะไปรับถ้าเราไม่รับมันก็กลายเป็นของเขาแล้วเขาก็เปื้อนมือของเขาเหมืนตรงนี้มันก็อยู่ที่การน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติแล้วกลายเป็นปัจจตางวีดีตับบงังนิบบาท น, นั่ง เป็นการดับกิเลสที่บินอยู่ชนคือผู้มีปัญญามีเหตุมีผลจะรู้ได้เฉพาะตัวเองโดวยเฉพาะแนวตรงนี้เป็นแนวทั้งๆที่ต้นๆมาความมาฝึกปลือแบบนิพพานดิสร้างความสงบขึบววบ้นเคยแก่จิตลดละบรรเทากิเลสออกไปจากจิตไม่ใช่ว่าทำได้รวดเดียวแต่ว่าให้เห็นว่ากิเลสนั้นได้ลดลงไปแล้วปริมาณธรรมะได้เพิ่มขึ้น ความเร่าร้อนความกระสับกระส่ายความดิ้นพร่านของจิตมันลดลงความสงบความเย็นความปร่งเบาได้เพิ่มปูนขึ้นภายในจิตแต่อย่างจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนคนนั้นบุคคลทั้งหลายมีรู้เจ้าเป็นต้นก็ทําได้แค่บอกให้เท่านั้นส่วนการประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลดังกล่าวเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องใช้ความเพียรพยายามในตัวเองเราติ น, นี้ไปก็ขอใตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป